ใจแคบใจกว้างลูกรักคนบางคนแม้จะยากจนแต่ก็มีพวกพ้องมากเวลามีงานมีการอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือห้อมล้อมงานยากก็เป็นงานง่ายส่วนบางคนมีทรัพย์มียศศักดิ์แต่ก็ขาดพวกพ้องถึงมีผู้มาห้อมล้อมก็เป็นประเภทไว้ใจไม่ได้มารุมล้อมเพราะผลประโยชน์เท่านั้น คนประเภทนี้หาดูได้ไม่ยากในสังคมปัจจุบันอันที่จริงพวกพ้องนั้นมีความจําเป็นมากในเมื่อเราอยู่ในสังคมก็ต้องทำงานด้วยกันต้องติดต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสิ่งที่จะทำให้เรามีพวกพ้องที่รักกันจริงและมีความจริงใจต่อกันก็คือความมีน้ําใจต่อกัน มีความเอื้ออาทรห่วงใยกันเวลามีความจำเป็นก็เข้าช่วยเหลือโดยไม่ต้องขอร้องมีอะไรก็แบ่งปันกันคนที่มีน้ําใจเรียกคนใจกว้างคนใจกว้างมีพวกพ้องมากตรงกันข้ามคนที่แรงน้ําใจเรียกว่าคนใจแคบคนใจแคบจะขาดพวกพ้อง ถึงคราวจำเป็นจะหาคนช่วยเหลือได้ยากต้องต่อสู้ตามลำพังเมื่อลูกทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้ลูกเป็นคนใจกว้างอย่าเป็นคนใจแคบมีอะไรช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ช่วยกันไปอย่าตรหนีเสียดายโดยไม่จำเป็นใครเดือดร้อนอะไรพอจะช่วยได้ก็ช่วยเข้าไปอย่างน้อยก็ช่วยให้กำลังใจเขา เช่นไปเยี่ยมเยียนเขาไปปลอบใจเขาก็ยังดีคนเรายามมีทุกเห็นได้คนมาเยี่ยมเยียน mm. ก็พอมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปได้ mm. เกิดเป็นคนใช่ว่าจะมีสุขสมหวังตลอดไปอาจจะมีสักวันหนึ่งเราต้องมีความทุกข์บ้าง mm. เมื่อวันนั้นมาถึงเราจะรู้สึกว่าน้ำใจจากพักพวกเพื่อนพ้องนั้น เป็นยาวิเศษชะลมใจเราให้อบอุ่นและเกิดความหวังขนาดไหนอย่าเอาอย่างเขาลูกรักลูกคงเคยเห็นคนบางพวกชอบนั่งจับกลุ่มนินทาชาวบ้านได้นั่งคุยกันเมื่อไหร่เป็นได้เอาเรื่องของคนโน้นคนนี้มานินทาพูดถึงเขาในแง่มุมต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเสียหายทั้งนั้นชอบทำตัวเป็นผู้รู้เป็นผู้สันทั์กรณีทั้งที่รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่เมื่อพูดแล้วสนุกปากหยุดไม่อยู่ลูกเอ้ยธรรมดาคนพูดมากนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คำพูดเหล่านั้นจะเป็นจริงไปเส้ทั้งหมดคนประเภทนี้ลูกไม่ควรเอาอย่างอย่าเป็นอย่างเา้า ถ้ามีใครเอาเรื่องของเราไปนินทาไปพูดถึงในทางไม่ดีบ้างเราก็คงไม่ชอบเช่นเดียวกันฉะนั้นลูกจะต้องไม่ทาเช่นนั้นกับคนอื่นการพูดถึงคนอื่นนั้นต้องระวังให้มากแม้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ดีก็ต้องระมัดระวังจะเป็นการล่วงเกินเขาเขาคงไม่ชอบที่เราจะเอาเรื่องเข้ามาพูด ถ้าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่เราคิดเราคาดเอาเองก็ยิ่งจะเป็นบาปเป็นกรรมมากขึ้นไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยเสียเวลาเปล่าด้วยสู้เอาเวลามาคิดเรื่องของตัวเองดีกว่าหากไม่มีอะไรจะคิดก็นอนพักผ่อนหรือไปเดินเล่นนั่งนอนอ่านหนังสือฟังวิทยุดูทีวีซะยังดีกว่า เพราะไม่เกิดโทษทางปากแล้วก็ไม่เป็นทุจริตทางวาจาใครเข้าจินินทาว่าร้ายใครก็เป็นเรื่องของเขาอย่าไปร่วมวงกับเขาด้วยเป็นดีที่สุดนักเอาเบาสู้ลูกรักคนที่เขาตั้งเนื้อตั้งตัวได้จนมีฐานะมั่นคงนั้นมีน้อยคนที่ได้ทรับมรดกมาตั้งตัว ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นมาจากความลำบากได้เพียงลำแข้งและก็จิตใจที่เด็ดเดี่ยวมาเป็นมรดกแล้วก็ใช้ลำแข้งและจิตใจนั้นมาต่อสู้ชีวิตเป็นคนสู้ชีวิตต่อสู้แบบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหรือหนักเอาเบาสู้เขาจึงได้มีฐานะดีมีหลักฐานมั่นคงอย่างที่เห็นประเภทที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้ เอาแต่สนุกแต่ชอบสบายประเภทเหยียบขี้ไก่ไม่ฝอนั้นไม่มีโอกาสได้สร้างตัวแน่นอนแม้จะมีมรดกกองใหญ่ไว้ให้กินให้ใช้ถ้าช้าก็พลานหมดลูกเอ๋ยผู้ใหญ่สอนกันมานานแล้วว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยา ก, กำลังคำว่าศัตรูในที่นี้นอกจากหมายถึงคนแล้ว ยังหมายถึงความลำบากและอุปสรรคต่างๆด้วยเมื่อคนเราต้องต่อสู้ชีวิตก็ต้องพบกับความลำบากแต่ขอให้ลูกคิดว่าความลำบากนั้นเป็นยา ก, กำลังที่จะกระตุ้นให้เรามีความมุมานะและความขยันพยายามเพื่อเอาชนะความลำบากไปจนถึงจุดหมายปลายทางคือความสบายให้ได้พ่อแม่ไม่มีมรดกที่จะเป็นทรัพย์สินให้ลูก หรือมีให้ก็ไม่มากนักแต่ลูกก็ได้ลำแข้งและจิตใจไว้พร้อมแล้วใช้ลำแข้งและจิตใจนั้นต่อสู้ต่อไปสู้งานสู้ชีวิตหนักเอาเบาสู้อย่าท้อแท้และอย่างงอมืองอเท้ารอโชควาสนาสักวันหนึ่งลูกก็จะผ ง, งาดเป็นหนึ่งในจำนวนผู้มั่งคั่งได้อย่างภาคภูมิใจ ต่อสู้ที่แท้จริงลูกรักในการทำงานทุกอย่างนั้นย่อมจะต้องมีการแข่งขันต่อสู้มีความยากลำบากต่างๆกันไปซึ่งเรียกกันว่ามีอุปสรรคในการทำงานคนที่ทำงานสำเร็จนั้นคือคนที่ฟันฝ่าอุปสรรคนั้นๆมาหนักบ้างเบาบ้างแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นมาจนถึงที่สุด จุดสำเร็จได้ทุกคนไปการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคพ้นไปได้ก็ด้วยการต่อสู้กับอุปสรรคนั้นๆเท่านั้นมิใช่จะพ้นได้ด้วยการหลบเลี่ยงหรือกระโดดข้ามไปเหมือนกับการข้ามรัว้วแต่ต้องฝ่าเข้าไปท่ามกลางอุปสรรคนั้นเหมือนต้องแล่นเรือฝ่าคลื่นลมหรือเดินฝ่าแดดฝ่าฝน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 การต่อสู้กับจิตใจและกําลังใจของตัวเองนี้ยากกว่าการต่อสู้อุปสรรคต่างๆในภายนอกคือหนาวร้อนลมแดดความหิวความลําบากเป็นต้นการต่อสู้กับจิตใจให้ชนะก็ต้องปลุกใจให้ตื่นตัวไม่ให้ท้อแท้ท้อถอยให้ใจมีกําลังไม่ให้หมดกําลังใจไปเสียก่อน เมื่อต่อสู้กับจิตใจตัวเองจนชนะและมีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็จะสามารถต่อสู้กับอุปสรรคภายนอกจนกระทั่งฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้โดยสวัสดีแต่หากเอาชนะใจตัวเองได้ด้วยการฝ่าฟันอุปสรรคสำคัญคือความเกียจคร้านความท้อทแท้ความหมดกำลังใจไม่ได้แล้วจะไปต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรได้ ต่อสู้กับใจตัวเองให้ชนะก่อนแล้วก็จะชนะทุกอย่างในโลกได้พระท่านว่าไว้อย่างนี้ระบายเสียบ้างลูกรักย่อมจะมีสักวันหนึ่งที่คนเราต้องพบกับความทุกข์หรือปัญหาที่ทำให้อึดอัดใจ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 แต่ก็จะเป็นที่ระบายทุกข์ของลูกได้ลูกจะเล่าจะร้องไห้จะแสดงอารมณ์อะไรต่ออะไรต่อพ่อแม่ได้ทั้งนั้นถ้าเมื่อทําอย่างนั้นแล้วจะทําให้ลูกสบายใจขึ้นพ่อแม่ก็ยินดีรับฟังยินเดียวรับรู้และเห็นใจลูกได้เสมออย่าเห็นพ่อแม่เป็นคนอื่นความเครียดความทุกข์กังวลทั้งมวลของลูก ลูกควรมาระบายไว้ที่พ่อแม่อย่ากเก็บซุมอกไว้คนเดียวพ่อแม่นั้นย่อมเป็นกระถนสำหรับลูกได้เสมอไฟแห่งริษยาลูกรักอารมณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใดแล้วจะทำให้ผู้นั้นร้อนรุ่มใจเกิดความหงุดหงิดงุนงานไม่สบอารมณ์ อารมณ์ที่ว่านั้นก็คือความริษยาเป็นอาการของจิตที่เกิดจากการเห็นคนอื่นได้ดีหรือมีดีกว่าตัวและทนไม่ได้ผู้ที่ดีกว่าตัวนั้นเป็นศัตรูหรือเป็นคู่แข่งกันด้วยแล้วความริษยาก็ยิ่งมีพลังสูงขึ้นหลายเท่าตัวคนที่มีความริษยาจะหมดความสุขไปเลยโดยไม่รู้ตัว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 แต่ไฟกองนี้ใช่ว่าจะเกิดง่ายนักดอกจะเกิดก็ต่อเมื่อเห็นศัตรูคู่แข่งได้ดีเท่านั้นหากคนที่ได้ดีนั้นเป็นคนที่ตัวรักชอบพออารมณ์ริษยาก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อลูกรู้อย่างนี้แล้วลูกต้องระวังอารมณ์ชนิดนี้ให้ดีอย่าให้เกิดขึ้นได้เรื่องอย่างนี้ลูกต้องฝึกเป็นคนใจกว้างไว้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 คนที่เดือดร้อนจริงๆก็คือตัวเราไม่ใช่เขาแล้วเรื่องอะไรเราจะมาเก็บไฟในอกให้ร้อนรุ่มหงุดหงิดโดยใช่เรื่องดูออกจะไม่ฉลาดเลยนะลูกมองการไกลลูกรักมีคำพูดสมัยใหม่อยู่คำหนึ่งคือคำว่ามองการไกล หมายถึงทำอะไรก็ตามให้มองไปข้างหน้ามองยาวๆมองถึงอนาคตซึ่งเป็นคำพูดที่มีความหมายดีเพราะคนที่มองการไกลนั้นได้รับความสำเร็จในกิจการต่างๆที่ตัวทำในระยะยาวคนที่มองอะไรแคบๆเฉพาะหน้ามองผลระยะสั้นก็จะได้รับความสำเร็จในระยะสั้นๆแล้วก็ล้มเหลว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 เขาจึงได้รับความสําเร็จสูงส่งผลสบายไปชั่วลูกชั่วหลานลูกลองฝึกเป็นคนมองการไกลดูบ้างคือมองไปข้างหน้ายาวๆมองให้ตลอดถึงลูกหลานยิ่งดีอย่ามองใกล้ๆเพียงแค่เอาตัวรอดไปวันๆหรือเพียงความสําเร็จเป็นครั้งคล้าวฝึกมองให้ไกลๆวางแผนระยะยาวไว้ทําได้อย่างนี้ลูกจะเป็นคนหนึ่ง ที่เข้าข่ายเป็นผู้มองการไกลได้รับความสำเร็จถาวรเหมือนกับคนอื่นๆการเตรียมพร้อมลูกรักในชีวิตแต่ละวันของคนเรานั้นมีเรื่องจะต้องให้แก้ไขยอยู่ร่ำไปเดี๋ยวเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้ บางครั้งก็นำความลำบากทุกยากมาให้เพราะแก้ไม่ได้แม้ลูกเองก็คงเคยประสบเรื่องอย่างนี้มาบ้างแล้วอยากจะบอกวิธีสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นก็คือการเตรียมพร้อมซึ่งหมายถึงการตระเตรียมป้องกันแก้ไขให้พร้อมไว้ล่วงหน้าก่อนก่อนที่ปัญหาหรือเรื่องนั้นจะมาถึงเหมือนการเดินทางไกลซึ่งจะต้องเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อม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 ให้พร้อมพอเจ็บไข้อะไรก็พอประทางได้ไม่ร้ายแรงเตรียมกายเตรียมใจเตรียมคิดไว้ล่วงหน้าว่าต่อไปจะทำอย่างไรทำอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นการเตรียมพร้อมอย่างนี้พระเรียกว่าไม่ประมาทคนที่มีความรอบคอบเขาจะเตรียมพร้อมเสมอพอเกิดปัญหาเกิดเหตุการณ์คับขันขึ้น ก็จะสามารถผ่านปัญหาผ่านเหตุการณ์นั้นๆไปได้โดยไม่ทุกข์ไม่ยากลำบากนักท่านจึงสอนว่าอย่าเป็นคนประมาทเตรียมตัวให้พร้อมเข้าไว้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ไขภายหลังความประพฤติแบบวัวหายล้อมคอกนั้นท่านสั่งสอนกันมาว่าอย่าทำ มีน้ำใจลูกรักเคยบอกลูกมาบ้างแล้วว่าคนเราเมื่อจะไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครก็ตามขอให้เป็นคนมีน้ำใจเข้าไว้ขาดอะไรก็ขาดได้ไม่มีใครตำหนิแต่อย่าขาดน้ำใจเป็นใช้ได้อย่าเป็นคนแหลงน้ำใจอย่าใจแคบคิดเอาแต่ได้ไม่คํานึงถึงอกใครช่วยเหลือใครก็ไม่ได้ คนเราหากเป็นคนแล้งน้ำใจแล้วก็ไม่มีใครอยากจะมาอยู่หรือคบหาสมาคมแบบจริงใจด้วยที่เขาทนอยู่ได้ก็เพราะไม่มีทางไปเท่านั้นเหมือนแผ่นดินที่แล้งน้ำผู้คนสัตว์พืชและต้นไม้ก็ไม่อยากอยู่ไม่อยากเกิดในบริเวณ น, นั้นแต่จะหลบไปอยู่อาศัยกันแบบแผ่นดินที่มีน้ำสมบูรณ์ส่วนคนที่มีน้ำใจ จะมีผู้คนมาพึ่งพาอาศัยอยู่อยู่แล้วก็ไม่อยากจากแม้ว่าบางครั้งจะอยู่อย่างคับแคบก็ตามลูกรู้อย่างนี้แล้วควรพยายามทำตัวให้เป็นคนมีน้ำใจเข้าไว้ยิ่งคนใกล้ชิดคนที่เราต้องพึ่งพาอาศัยช่วยทำการงานเช่นเป็นลูกจ้างหรือลูกน้องยิ่งต้องมีน้ำใจต่อเข้าให้มาก หากเขาลำบากเดือดร้อนอะไรก็ช่วยเหลือกันไปเท่าที่ช่วยได้ใครทําดีทําประโยชน์ให้เราก็อย่าลืมบุญคุณของเขาทดแทนบุญคุณเขาให้รางวัลให้กําลังใจอย่างน้อยก็พูดชมเชยให้เขาเข้าใจได้ชื่นใจสักนิดก็ยังดีการเอื้อเฟื้อเขาด้วยน้ําใจนี่แหละลูกจะเป็นมนต์วิเศษที่ดึงดูดให้เขาติดใจรักใกล้เราอ่อนน้อมต่อเรา ความมีน้ำใจเป็นสิ่งวิเศษนักลูกเอ้ยคนเราแม้รูปร่างจะไม่หลอ่อไม่สวยก็มีสเสน่ห์ได้ด้วยความมีน้ำใจตรงกันข้ามแม้จะหล่อหรือสวยอย่างไรหากแล้งน้ำใจซยแล้วก็ทำให้หมดสเสน่ห์ลงไปมากทีเดียวคนโบราณท่านจึงบอกว่ามีน้ำใจเป็นสเสน่ห์แล้งน้ำใจเป็นสเสนีย์ กระทำสิ่งที่ไม่เสียลูกรักปกติคนเราเมื่อจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็มักจะคิดว่าเมื่อทำแล้วจะได้ผลตอบแทนอย่างไรจะเสียหายหรือไม่เป็นต้นก็ถูกต้องอยู่เพราะแสดงถึงความรอบคอบคิดหน้าคิดหลังหากไม่คิดเสก่อนอาจผิดพลาดเสียหายไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ได้ในแวดวงของศาสนา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 จัดเจนดีจนแทบจะไม่ต้องอธิบายเลยเป็นคำแนะนำที่ป้องกันไม่ให้คนเราเสียเวลาไม่ทาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ทำตามคำแนะนำนี้เราจะได้ไม่เสียเวลาเสียเรี่ยวแรงและจะได้ไม่เสียใจภายหลังด้วยเช่นเราไปอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนที่แข็งกระด้างไปยกมือไหว้คนที่เขาไม่ยอมรับไหว้ก็เสียมือเปล่า หรือเราไปช่วยเหลือช่วยทำกิจการต่างๆแก่เขาแต่เขาไม่เห็นความมีน้ําใจของเราก็ป่วยการเปล่าอยู่เฉยๆดีกว่าลูกเอ้ยคนเราไม่เหมือนกันลูกอย่าไปคิดว่าเขาเหมือนเราหรือเราเหมือนเขาเราคิดอย่างหนึ่งเขาคิดอย่างหนึ่งดูให้ดีคิดให้ดีเสีก่อนที่จะตั้งความหวังหรือคิดจะทำอะไรให้แก่ใคร จะได้ไม่เสียใจและเสียดายภายหลังทำอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบก็อาจจะเสียได้ภูมต้านทานทุกลูกรักร่างกายที่แข็งแรงย่อมไม่ถูกโรคภัยเบียดเบียนได้ง่ายเรียกว่ามีภูมต้านทานหรือมีภูมคุ้มกันดีภูมต้านทานแบบนี้เป็นภูมต้านทานทุกทางกาย ทำให้กายเป็นสุขทำนองเดียวกันหากไม่ต้องการให้ใจมีทุกข์ก็ต้องสร้างภูมิต้านทานทุกข์กลางใจไว้ให้ดีความจริงทุกทางใจนั้นมีสาเหตุมาจากการนึกคิดปรุงแต่งของใจตัวเองเป็นสำคัญคือใจไปเก็บเอาเรื่องราวต่างๆจากที่ได้เห็นบ้างได้ยินบ้างมานึกคิดแล้วปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ตามความรู้สึกของตัวเองสิ่งที่นึกคิดนั้นถ้าตัวเองรู้สึกชอบก็จะเกิดความสุขใจถ้าตัวเองรู้สึกไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์ใจเรื่องอย่างเดียวกันแท้ๆอาจทำให้คนหนึ่งเกิดความสุขใจแต่ทำให้อีกคนหนึ่งเกิดความทุกข์ใจก็ได้มันอยู่ที่การนึกของบุคคลปรุงแต่งของแต่ละคน ดังนั้นเมื่อลูกไม่ต้องการให้ความทุกขมารุมเรา้าลูกก็ควรพยายามสร้างภูมิต้านทานไว้คือต้องตั้งสติให้ดีเมื่อประสบเรื่องอะไรแล้วแต่ทิ้งได้ก็ทิ้งวางได้ก็วางอย่าเก็บเอามาคิดปรุงแต่งคืออย่าเอามาเป็นอารมณ์ถ้าจะคิดปรุงแต่งก็ต้องคิดอย่างมีสติรอบคอบคิดให้ทุวนทีก่อนอย่าด่วนตัดสินใจง่าย ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมานั่งไม่สบายใจไปตามความคิดใจหนักแน่นเข้าไว้เป็นดีใจที่หนักแน่นมีสติและมีปัญญาพิจารณานั่นแหละเป็นภูมิต้านทานทนทุกข์ได้อย่างดีแต่ก็ไม่ง่ายนักที่จะทำได้ต้องฝึกฝนกันบ่อยๆและนานๆจึงจะเห็นผลเมื่อร่างกายนั่นแหละ กว่าจะแข็งแรงจนภูมิต้านทานโรคได้ก็ต้องลงทุนลงแรงกันมากโข อ, อยู่ทำดีได้แต่อย่าเด่นลูกรักเมื่อทำงานอยู่กับใครไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรืองานเอกชนขอให้ลูกพยายามศึกษานิสัยใจคอของผู้ใหญ่ และเจ้านายให้ดีทั้งนี้เพราะผู้ใหญ่แต่ละคนไม่เหมือนกันประเภทน้ำนิ่งไหลลึกก็มีทั้งนี้เพราะผู้ใหญ่แต่ละคนไม่เหมือนกันประเภทปากหวานก้นเปรี้ยก็มีประเภทปากปรายัยน้ำใจเชื้อคอก็มีประเภทพูดจากระเราดีชมเราตลอดเพื่อหลอกใช้ให้เราทำงานให้แต่ว่าไม่เคยให้อะไรเราเป็นชิ้นเป็นอันก็มี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 ต้องดูไปนานๆจึงจะรู้ว่าดีจริงหรือไม่ดูที่การกระทำเขาอาจจะไม่ชมเราแต่พอถึงเวลาอาจให้บำเหน็จรังวัลเราก็ได้ประเภทปากร้ายใจดีนั้นขอให้เราอดทนเขาให้ได้เท่านั้นแหละก็จะได้ดีทุกรายไปหากลูกได้ทำงานกับผู้ใหญ่ที่ปากหวานก้นเปรี้ยวไม่มีความยุติธรรม มีความลำเอียงและหูเบาก็ต้องระวังตัวระวังใจทำงานเพื่องานทำไม่ให้ผิดพลาดบกพร่องเท่านั้นก็พอแล้วอย่าไปหวังอะไรมากที่เตือนลูกอย่างนี้มีใช่จะสอนลูกให้เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เตือนเพื่อให้ลูกป้องกันตัวไว้ไม่ต้องเหนื่อยและทุ่มเทกับงานเกินไปแต่ผลที่ได้รับกลับเป็นความช้ำใจ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 ภาพเขียนมักจะสวยงามน่าชมกว่าตัวจริงเพราะมีการแต่งแต้มสีให้สดใสลงไปคนที่สร้างภาพตัวเองให้ดูเด่นก็จำเป็นต้องแต่งแต้มสีสันให้ใบหน้ากริยาท่าทางและการแสดงออกอื่นๆให้ดูดีน่านิยม ช, มชมชอบแก่ผู้พบเห็นเข้าไว้เพื่อปกปิดภายในซึ่งไม่งดงามอย่างนั้น จึงเกิดคำพูดที่ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจขึ้นคือเรารู้ได้แต่หน้าตาภายนอกของเขาแต่ใจของเขานั้นยากที่จะอย่างรู้ได้เพราะอาจผิดเพี้ยนไปได้เหมือนกันเหมือนกับภาพวาดกับตัวจริงดังนั้นเมื่อลูกจะคบกับใครจะไว้วางใจใครหรือทำกิจการร่วมกับใคร จึงควรดูให้ดีดูให้นานๆอย่าดูเพียงหน้าภายนอกซึ่งอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้ต้องดูให้ถึงการกระทาและความคิดความอ่านของเขาดูทั้งต่อหน้าและลับหลังหากลูกไม่ดูให้ดีหลงไปคบหาหรือไว้ใจคนให้ความเคารพนับถือเข้าอาจต้องชอกช้ำใจในภายหลัง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 จะรักจะนับถือใครก็เผื่อใจไว้ผิดหวังบ้างจะได้ไม่เสียใจมากนักเมื่อต้องผิดหวังคืออย่าทุ่มเทใจไปรักนับถือหรือยอมรับใครแบบยอมตายถวายชีวิตให้เพื่อขาดเพื่อเหลือไว้บ้างเป็นดี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 ลูกเอ๋ยเกิดเป็นคนนะลูกเมื่อเราอิ่มก็ควรนึกถึงคนที่เขาอดบ้างเมื่อเราสุขควรคิดถึงคนที่เขาทุกข์บ้างเมื่อเรามีก็คิดถึงคนที่จนบ้างลูกคิดได้อย่างนี้ลูกจะเป็นนักเสียสละเห็นใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็จะเป็นที่รักนับถือของคนทั่วไปหากลูกเป็นคนเห็นแก่ตัว ลูกก็จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเวลาลูกเดือดร้อนจะไม่มีใครแยแสลูกเลยจำไว้นะลูกคิดก่อนพูดลูกรักปากคนนั้นนำสุขมาให้ก็ได้นำทุกข์มาให้ก็ได้มีคำเตือนมากมายเกี่ยวกับปากเช่นว่า พูดไปสองไพยเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองเมื่อลูกคบหากับใครทำงานที่ไหนก็ตามสิ่งที่ต้องระวังให้มากก็คือปากท่านกล่าวว่าจงเก็บปากไว้ที่ใจอย่ากเก็บใจไว้ที่ปากคืออยากจะพูดอะไรก็เก็บไว้ในใจอย่าพูดทุกอย่างตามที่ใจคิดพูดมากโอกาสพลาดก็มีมาก พูดน้อยก็พลาดน้อยเมื่อจําเป็นต้องพูดก็ควรพูดอย่างที่มีสติพูดพอประมาณพูดอย่างสร้างสรรค์ถูกธรรมและประกอบด้วยประโยชน์ท่านบอกไว้ว่าคำพูดที่ดังเกินไปคำพูดที่แรงเกินไปคำพูดที่เกินความจริงล้วนฆ่าคนพูดผู้โง่เขลาได้ทั้งสิ้นสมัยนี้คนพูดเก่งและพูดได้มาก แต่ลูกพิจารณาดูให้ดีนะคนที่พูดเก่งนั้นนะ่ะจะมีสักกี่คนที่พูดแบบสร้างสรรค์ทำให้เกิดความสมานสามัคคีทำให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจแต่เราจะไปห้ามเขาไม่ให้พูดก็ไม่ได้เขาจะพูดดีไม่ดีอย่างไรพูดก้าวร้าวเสียสีใครก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาเขาพูดเขาก็ต้องรับผิดชอบเอง ที่สำคัญลูกอย่าไปพูดอย่างเขาก็แล้วกันคิดให้ดีก่อนพูดเสมอยิ่งพูดถึงคนอื่นด้วยแล้วยิ่งต้องระวังเพราะเราไม่รู้จักเขาดีพอไม่รู้สึกความรู้สึกนึกคิดของเขาดีเท่ากับตัวเขาเองหรอกเราจะไปคาดเอาเองว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปพูดทำให้เขาเสียหายดูจะไม่ยุติธรรมนะัก ดีที่สุดก็คือไม่พูดถึงคนอื่นโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงดีพอแม้จะรู้จริงก็ไม่ควรพูดนะลูกถ้าจำเป็นต้องพูดก็ควรพูดอย่างมีสติพูดด้วยความระมัดระวังเพราะการพูดถึงคนอื่นนั้นเสี่ยงต่อความเป็นศัตรูกันแล้วก็จะเป็นบาปกรรมด้วยระวังเอาไว้เป็นดีที่สุด คนใจบอดลูกรักคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่ามองกันในแง่ดีมาบ้างคำพูดนี้บอกให้เราหัดมองแง่ดีของคนที่เรารู้จักคนที่เราครบหาหรือว่าคนที่อยู่ด้วยกับเราเพราะคนเราทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องในตัวด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะบริสุทธิ์ผุดผ่องไปเสียทั้งหมดจนหาที่ติไม่ได้ เมื่อรักจะคบกันรักกันอยู่ด้วยกันก็ควรมองหาแต่จุดดีของกันส่วนจุดด้อยหากไม่มีมากจนรับไม่ได้ก็มองข้ามไปเสียยกจุดดีที่มีมากกว่ามาเป็นจุดเด่นก็จะทำให้ลบจุดด้อยของเขาหรือทำให้เจือจางลงไปได้อันที่จริงเราทุกคนก็ล้วนมีจุดดีด้วยกันทั้งนั้นถ้ามองด้วยใจเป็นธรรม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 ยึดถือแต่อคติเป็นที่ตั้งเราจะหาความยุติธรรมจากคนใจบอดได้ยากแม้ตัวเขาเองบางทีก็ไม่รู้เสียด้วยซ้าว่าตัวเองเป็นคนใจบอดคนตาบอดยังน่าคบกว่าคนใจบอดทำดีกับคนใจบอดก็ต้องทำใจไว้ล่วงหน้าว่าเขาจะไม่มองเห็นความดีของเราที่บอกลูกเช่นนี้ก็เพื่อให้ลูกรู้ว่า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 ล้มต้องหกลุกลูกรักในการดําเนินชีวิตนั้นใช่ว่าจะราบรื่นไปเสียทุกอย่างชีวิตมีขึ้นมีลงนะลูกมีสุขก็มีทุกข์ควบคู่กันไปตลอดเวลาโดยเฉพาะในการทํางานยิ่งเป็นงานใหญ่ก็ยิ่งมีอุปสรรคมากหากลูกทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกคิดรอบคอบแล้วว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่จะทําให้ก้าวหน้าได้ แต่เมื่อทำไปทำไปงานนั้นเกิดสะดุดขึ้นไม่เป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้เรียกว่ามีอุปสรรคขัดข้องลูกก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปให้ได้ด้วยสติปัญญาด้วยความรอบคอบอย่าบุมบามหรือหุนหันพลันแล่นค่อยคิดค่อยแก้ไปอย่าท้อแท้หมดกำลังใจเสียก่อนละ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 เมื่อหกล้มหรือพลาดไปก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่คนที่ลุกขึ้นมาสู้ต่อไปเท่านั้นจึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนเราหกล้มบนถนนทำไมเราจะต้องนอนกลิ้งเกลือกแช่อยู่บนถนนนั้นทำไมเราไม่รีบลุกขึ้นมาแล้วเดินต่อไปเช่นเดียวกันเมื่อเรามีอุปสรรคหรือพบกับความผิดหวังทาไมเราจึงไม่ประคับประคองใจให้เข้มแข็ง ดึงตัวออกจากความผิดหวังนั้นแล้วก็ลุกขึ้นหายใจให้เต็มปอดก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจด้วยสติปัญญาและก็ด้วยความรอบครอบกว่าเก่าใช้ข้อผิดพลาดบกพร่องที่ผ่านมาเป็นครูคอยเตือนใจนำมาเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนั้นอีกพร้อมกับก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ และด้วยกาลังใจที่เข้มแข็งเล่ารักยาวให้บานรักสั้นให้ต่อลูกรักคนเก่าเล่าขานกันมาว่ารักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อเห็นว่ามีความหมายดีก็เลยนำมาบอกลูกคือถ้าเราอยากมีอนาคตที่ดี มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขตลอดไปก็ต้องบัณฑคือตัดขาดสิ่งที่จะทำลายอนาคตทำลายชีวิตของตนเสียอย่าเข้าใกล้สิ่งเหล่านั้นเช่นอบายามุกยาเสพติดความเกียจคร้านความสุรุ่ยสุร่ายความหุนหันพลันแล่นเหล่านี้เป็นสิ่งที่คอยบัณทอนอนาคตทั้งสิน้นไม่โดยตรงก็โดยอ้อม ถ้าบั่นออกจากชีวิตเราเสียได้อนาคตก็รุ่งเรืองสดใสไม่ยากแต่ถ้าเราคิดสั้นๆคิดเอาเฉพาะหน้าหวังสนุกสุขสบายเฉพาะหน้ามีชีวิตไปวันๆอนาคตเป็นอย่างไรก็ช่างก็ให้เสพอบยมุกต่อไปเกียรคร้านต่อไปสุรุ่ยสุร่ายต่อไป อนาคตก็จะค่อยๆวูบลงแล้วก็ดับไปในที่สุดตัวอย่างแบบนี้ลูกคงเคยเห็นมาบ้างบางคนเบื้องต้นชีวิตก็ลำบากยากจนแต่ด้วยความมุมานะรู้จักทำงานรู้จักกินใช้ไม่แตะต้องอบายมุกและสิ่งเสพติดต่างๆไม่นานก็ตั้งตัวได้อนาคตก็สดใสชีวิตสุขสบาย แต่บางคนเบื้องต้นชีวิตสุขสบายพ่อแม่หาเงินทองไว้ให้เป็นกายเป็นกองแต่คิดสั้นๆเอาแต่ตามใจตัวเองไม่รู้จักคุณค่าของทรัพสมบัติที่พ่อแม่ยกให้กินใช้อย่างฟุ่มเฟือยไม่ช้านานก็หมดตัวชีวิตต้องลาบากลาบนหมดอนาคตไปน่าเสียใจแทนพ่อแม่เขาสู้อุตสาหามาเกือบตลอดชีวิต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 ไม่ต้องมานั่งเสียใจเพราะเขาทำไม่ถูกใจหรือว่าทำไม่ถูกต้องการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องต้องมีสองแบบคือเลี้ยงลูกให้โตกับเลี้ยงลูกให้ดีการเลี้ยงลูกให้โตคือเลี้ยงให้เขาเข้มแข็งทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแต่การเลี้ยงลูกให้ร่างกายเขาจเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์พูนสุขนั้นไม่พอต้องเลี้ยงจิตใจเขาให้เข้มแข็ง หากว่าจิตใจเขาไม่เข้มแข็งเขาก็จะกลายเป็นลูกแง่ที่ไม่รู้จักโตพึ่งตัวเองไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นตลอดไปการฝึกให้เขาเป็นตัวของเขาเองฝึกให้เขาเลือกและตัดสินใจได้ตัวเขาเองให้เขาทำอะไรเป็นคือฝึกให้เขาช่วยตัวเองได้ทุกๆเรื่องโดยมีเราคอยดูอยู่ห่างๆคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนาเขา ไม่ใช่คอยควบคุมเขานี่แหละคือการเลี้ยงลูกให้โตอย่างถูกต้องเขาจะทำอะไรผิดพลาดบกพร่องหรือว่าทาอะไรไม่ถูกใจเราบ้างก็ต้องยอมอดทนเอาหน่อยนานเข้าเขาก็จะเป็นตัวของเขาเองได้ช่วยตัวเองได้ไปไหนมาไหนโดยลำพังเราก็สบายใจหายห่วงหากเลี้ยงเขาแบบลูกแง่ หรือแบบลูกบังเกิดกล้าวทำอะไรให้เขาทุกอย่างคิดแทนเขาทุกอย่างนำทางเขาทุกเรื่องไม่ปล่อยให้เขาเป็นตัวของเขาเองบ้างเอาแต่กลัวว่าเขาจะลำบากกลัวเขาจะผิดพลาดอย่างนี้เมื่อไรเขาจะโตสักทีเมื่อเขายังเป็นลูกแงอยู่ในอนาคตเราจะพึ่งเขาได้อย่างไรขนาดเขาเองก็ยังแทบจะเอาตัวไม่รอดเลย จะไหนจะสามารถเลี้ยงดูเราได้ละ่ะเลี้ยงลูกให้ดีลูกรักการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องอีกแบบหนึง่งคือเลี้ยงลูกให้ดีนั้นหมายความว่า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 หรือพาเขาดูแบบอย่างที่ดีตามเราต้องการเช่นอยากให้ลูกมีน้ำใจมีเมตตากรุณาเราก็ต้องทําตัวเองให้มีน้ำใจมีเมตตากรุณาให้เขาเห็นเป็นประจำเราต้องทําอย่างนั้นเป็นแบบอย่างการเอาแต่สอนเอาแต่บอกให้ลูกขยนันซื่อสั ต, ตย์กตันยูจะเกิดประโยชน์น้อยสู้ทําให้เขาเห็นเป็นแบบอย่างไม่ได้หรอกลูก เลี้ยงลูกให้ดีอีกทางหนึ่งก็คือสนับสนุนส่งเสริมให้เขามีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นช่วยคนที่ยากลำบากยากจนอย่างนี้ก็เป็นการฝึกให้เขาเป็นคนดีได้เหมือนกันคนเรานั้นดีด้วยกันทุกคนแต่ว่าที่ดีไม่ได้ก็เพราะคนใกล้ตัวบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างเหตุการณ์คับขันบ้างไม่มีโอกาสทำความดีบ้าง หากเราจะให้ลูกของเราดีตามที่เราต้องการเราก็ต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีค่องเข้าก่อนเราต้องมีศิละปะในการเลี้ยงค่อยปั้นค่อยแต่งค่อยๆแนะนำชักนําเข้าไปในทางที่ดีเขาก็จะเป็นอย่างที่เราต้องการการเลี้ยงลูกให้ดีค่อนข้างยากต้องทำติดต่อกันเรื่อยๆไปอย่าด่วนเหนื่อยน่ายเสียก่อน ปั้นลูกให้เป็นคนดีนั้นยากกว่าปั้นอง่์ปั้นหายหลายร้อยหลายพันเท่านักขอให้ลูกยึดถือคติที่ว่าถ้าอยากให้ลูกดีก็ต้องทำดีให้ลูกดูรับรองไม่ผิดหวังในตัวลูกแน่